เรื่องนันทะโคบาลพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในโกสนชนบททรงปรารในนันทะคนเลี้ยงโคดังได้สดับมานายโคบาลชื่อ น, นันทะในกรุงสาวัตถีมีสมบัติมากรักษาฝูงโคของอนาถบินทิกะเศรษฐีในว่านายนันทะโคบาล น, นั้นหลบนีราชภัยแห่งพระราชาด้วยเพศบรรพชิต รักษาขุมทรัพย์ของตนเพื่อเอาปัญจาโครถตามกำหนดการมาสู่สำนักของท่านเศรษฐีฟังธรรมจากพระศาสดาพระศาสดาเสด็จไปโปรดนหนนันทะส่งรอความแก่กล้าแห่งยานของเขาครั้นส่งทราบแล้วเสด็จจาริกไปอยู่แวะจากหนทางพระทับนั่งโคนไม้ใกล้ที่อยู่ของเขา ในนันธาไปสู่สำนักราชสดาถวายบังคมปฏิสันถา น, นิมนต์ถวายปัญจโคโรตทานอันพระนีดภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวันทรงอนุโมทนาทรงตรัสอนุปุพภิกถาคือเรื่องทานศีล ส, สวรรคโทษของกามและการออกบวชในเวลาจบเทศนาในนันทาบรรลุโซดาปฏิพน ในนันทารับบาททรงเสด็จถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับลำดับนั้นในพรานคนหนึ่งได้แทงเข้าตายแล้วพวกภิกษุโทษพระศาสดาว่าทำให้ น, นันทะถูกฆ่าถ้าว่าพระองค์ไม่เสด็จมาไซความตายจะไม่มาเกะเขาเลยพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรามาก็ตาม ไม่ได้มาก็ตามชื่อว่าอุบายเครื่องพ้นจากความตายของนันทะนั้นแม้ว่าจะไปสู่ทิตน้อยทิตใหญ่จะพ้นความตายย่อมไม่มีจิตเท่านั้นที่ตั้งไว้ผิดแล้วย่อมทำความพิน่าชิบหายที่พวกโจรหรือคนที่จองเวีนกันจะทำให้ไม่ได้ทรงตรัสพระคาถาว่าจิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำเขานั้นให้เลวสามยิ่งกว่าความพี่น่าชิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีกในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นเทศนานี้มีคุณแก่มหาชนดังนี้แหละก็กรรมที่นันทะได้ทำไวในระหว่างพบพวกภิกษุมิได้ทูลถาม พระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสบอกกรรมนั้นเลย